เอากันอยู่อย่างไรเอากันทาอย่างไรทาอะไรกันอยู่เราหลงแล้วได้ทามีการกระทำเกิดขึ้นไหมมันต้องมีการกระทามีการกระทาเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาชีวิต ถ้าไม่มีการกระทำแล้วมันก็อาภัพอับจนมันมีงานการอยู่ตลอดเวลาพวกเราเป็นนักภาวนาเนะี่ย <c oughs> <c oughs> มันยื่นงานให้เราทำเหมือนเรามาทำงานนั่นแหละทำงานนั้นยิ่งใหญ่ ความหลงมันเอางานให้เราทำความทุกข์ความโกรธความปุ่งสารความงงเหงาหอนอนมันทิ้งทิ้งการบ้านในพวกเราแล้วเราก็ทำมันหลงเราก็ทำความไม่หลง มันทุกข์เราก็ทําความไม่ทุกข์มันโกรธเราก็ทําความไม่โกรธมันไม่รู้เราก็ทําความให้มันรู้ไม่มีอะไรทำํำเราก็สร้างความรู้สึกตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจึงจะเจริญยังจะเป็นชีวิตที่มีคุณมีค่า ทำไมแค่นั้นมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆความหลงกดทับทมโลกกดทับทมผลดีสุดไปไม่ได้หนักอึ้งมามืดไปมืดขอให้เราได้กระตือรือร้นเรื่องนี้กันบ้างนะ ต่างคนต่างทรรมโดยเฉพาะกรรมฐานเนี่ยมันเป็นงานขิ้นเอก <c oughs> งานระดับโลกแต่เราไม่ทำตรงนี้ก็มีปัญหาระดับโลกเหมือนกัน <c oughs> จะไม่เกิดผลกระทบไปหลายๆอย่างมาทำให้มันเสร็จซะงานการอันนี้นะเอาให้มันเสร็จนะตแต่เต่นเนิน่นแต่พู้ที่เป็นหนุ่มก็รีบยังดีใหญ่แต่เป็นคนแก่ก็ยิ่งรีบให้มากมากมันจะไม่ทันเวลาตลาดจะวายสายบัวจะเน่า จะประมาทสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นไม่มากในชีวิตนี่ในโลกนี้ให้เราได้ทำประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ให้ได้มีความภูมิใจยกมือไหว้ตัวเองได้บา้าดูมาดูมาประกอบมาจับงานจับการเอากายเอาใจของเราเนี่ยเป็นการเริ่มต้น มนสติสมัญญามีความรู้สึกมีความระลึกได้ความรู้สึกความระลึกได้ไม่ใช่ความรู้นะทำให้มันมีความรู้ไปจำเอาที่ไหนมาก็ได้เราแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มีเนี่ยสิ่งที่ทำให้ไม่มีสิ่งที่มันมี เป็นความโลภความโกรธความหลงทาให้มันไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องการกระทำความทุกข์มันมีทำให้มันมีความทุกข์นนะ่ะเป็นเรื่องที่การกระทำอย่างยิ่งแล้วก็ให้มันมีมากด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยให้มีให้มากด้วยมนยีน้อยก็ เรืองเดิมเรื่องลางทำไรก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นเรามีเงินไม่มากเสื้อเสื้อเสื้อผ้ามานุ่ง ม, มาห่มก็ไม่ได้เสื้อข้าวมากินก็ไม่อิม่มก็ไม่สําเร็จประโยชน์ให้วันสําเร็จประโยชน์บ้างที่วิทยเอา ประโยชน์โลกในไะโลก้าประโยชน์อย่างยิ่งในนะานันยิ่งใหญ่นะไม่ค่อยมีใครทำหรอกเราไปทำเอาดื่นไปเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวเรื่องของความหลงเรื่องของความรักเรื่องของความชังไปคว่าน้ามเหลวอยู่ตรงนั้น ไปไม่ได้ผูกหลอกคนที่สุดก็ไม่มีอะไร <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนลั่นหลวงพ่อโพธทวันคนที่สุดฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลยครั้ ง, งที่เอามาอย่างเต็มที่แล้วไปสารภาพเมื่อหมดท่าใช่ลแล้วเอาโน่นเอานี่จนไม่ได้สักอย่าง เห็นไหมก่อนคนจะตายเวลาเขาเจ็บเวลาเขาแก่เวลาเขาตายมีท่าไหมเอนนี่สุดก็หลงมาบ้างเลยหาทำอันกุศลที่เป็นแต่เพิ่งกนิดเดียวไม่มย์ให้แก่ความหลงคนหน่ำซ้ำเติมลงไปร่องหอมล่องห้ย เสียใจทั้งสองฝ่ายทั้งผู้เจ็บผู้แฉะผู้ไม่เจ็บไม่แฉ่ก็เสียใจเป็นทุกข์ไปตามๆกันในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์สิ่งที่น่าที่จะไม่ทุกข์ทำไมไม่สร้างสมควรที่จะไม่ทุกข์อย่างมากๆแล้วมันก็ยังทุกข์มันก็ยังหลงทำไมจึงเป็นเทนนั้นคนเรานะคนหัวลุกนะ ไปอยู่ที่ไหนหเราทำอะไรกันอยู่นี่แหละพอมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่โอ้ยมันเป็นเรื่องรีบด่วนใช่แล้วเพราะเสียงม่ไม่รู้สึกตัวไม่่ากเหลือเกินมันเป็นเสียงที่เรื่องหน้ารีบด่วนเหมือนเรามีครอบมีครัวมีลูกมีเต่า ต้องเรียบดวนแล้วทามาหาเินขวาน้าขวาหลังก็จะจจนเจือผู้อื่นได้บ้างไม่ไมีความเกลียดข้าดในขลาวาตัวในการของเรียนมีลูกมีเต้านั่งไม่ลงการปฏิบัติธรรมเาก็เหมือนกันพอมันมีความรู้สึกตัวเราก็ตือ้อลืน่นเพราะความหลงมันไล่ ความโมงเอาหอนอนมันไล่ความสุขความทุกข์มันไล่แล้วออกมาได้แค่สอกแค่ว่ามันยังอยู่ใกล้ๆกับสิ่งเหล่านี่อยู่ใกล้กับความโกรธใกล้กับความทุกข์ใกล้กับความโลภความหลงใกล้กับความพงปงแต่งแต่แต่เป็นงูก็มันยังฉกเราถึงอยู่ค่อยๆ อ, ออกไปออกไป ตายใจไม่ได้ในขณะที่ขับขันเช็นนั้นแล้วมันจะฉกเอาตายทันทีใกล้ความตายพี่สุดฟองหลงหนึ่งก็ใกล้ความตายที่สุ ด, สดเราจึงขยันตรงนี้ถ้าไม่ขยันเขาตรงนี้ไม่รู้จะไปขยันกันตรงไห น, นเวลาได้มันหลงขยันลูกไว้ไว เวลาแต่มันอะไรที่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวพยายามมกระตือรือร้นใส่ใจแต่มันทันการทันงานแต่มันพลาดตรงไดนมันก็พลาดไปเรื่อยๆควรที่จะรู้ไปหลงซะคันที่จะไม่หลงไปหลงซะเวลาแต่มันหลงคนที่จะรู้ก็ไม่รู้ซะ ก็เลยพลาดตะพิดตะเพิไปให้เร า, ามาใส่ใจบันทีใจการที่ใจตรงนี้เลยว่าขันนี่ว่าสิลที่ขันเพราะมันทีเข้าไปที่เข้าไปเป็นสินที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันมันทีให้มันทีนทีทก็หน่อย แน่นหนาสักหน่อยอย่าหวนไว้อย่ากระทบกระเทือนง่ายง่ายกระทบกระเทือนก็กระทบกระเทือนแบบตั้งตัวไม่ใช่กระทบกระเทือนแบบล่มละลางกระทบกระเทือนแบบตั้งตัววันเราเดิน จังหวะที่เราเดินมันเป็นจังหวะที่ตั้งตัวพอดีไต่ละก้าวไต่ละก้าวโดยที่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยถ้าไปเข็นถ้าไปเข็นให้เราเดินมันก็เหนื่อยถ้าไปธรมธรมดาธรรมดาก็ไม่เหนื่อยการทําอะไรที่มันทําถูกต้องมันมันมีจังหวะของเขา จังหวะที่หลงมันเป็นจังหวะที่ลูกไปพร้อมๆกันหลงเพื่อจะลูก ห, หัดตรงนี้ทุกเพื่อที่จะไปทุกหัดตรงนี้โกรธเพื่อที่จะไม่โกรธหัดตรงนี้อะไรมันมาให้เราขัดแต่ประมาทความสุขก็อย่าประมาทไปตกความสุข ความทุกข์ความลักความชังก็อย่าไปประมาทความยินดียินไล่ก็อย่าประมาทความประมาทติดหน่อยกับเสิ่งเหล่านั้นมันก็ไก่กันไปเหมือนจิตนิสัยของคนทีแรกก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตง่ายๆฆ่าปลาข้ามดฆ่าหนูฆ่าอะไรอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ ถุกคิดอะไรสักต่อต่อไปต่อไปก็ข่าวัวข้าวควยาวยต่อไปก็อาจจะฆ่าคนได้ฆ่าคนได้จะฆ่าคนทั้งโลกได้การคิดที่จะฆ่าเนี่ยก็เป็นความเจริญของเขาสำหรับคนที่เป็ะประมาบันรักกันขโมยขโมยกัน ลักอะไรเล็กแต่น้อยเก็บผักเก็บผลไม้ในรั่วในสวนของเขาไปมาก็ลักเสงลักของลักเสื้อผ้าลักเงินลักทองไปมาก็ป่นี่ขาเจ้าของสับตายแล้วก็คุยคุยคุยอวดคุยเรื่องความชั่วของเขาเหมือนโจรฆ่านาง ศิลิกมาเรนางอะไร้าเราไปหมกไปวัดเขตตะวันของพระพุทธเจ้าพวกดีละถีจะไปใส่ร่ายไปสีพระพุทธเจ้าก็ข่าผู้หญิงสาวคนหนึ่งแล้วก็ไปวางไว้ในวัดเปื่อยกายคนก็มองว่าพระพุทธเจ้า สาวโบกแต่ข้าข่มขืนปิดปากคนมองครึ่งตัวครึ่งออกเดรลทีก็ซ้ำเติมหนักสำนักพระสำนักโคโดมดีที่ไหนเอากันข่มขืนหญิงสาวลรา่าตายปิดปากคนัอดไว้เชื่อไปทั้งครึ่งประเทศ เพราะมันมีหลักฐานพอดีโจนที่ฆ่านางคนนั้นไปกินเหล้าเมาคุยโก่เก่งโกว่ามึงนะโกวเป็นลงมือฆ่ามันก่อนนางอ่าจำไม่ได้คื่อะไรมึงสู้กูไมนได้กูเป็นคนฆ่ามันก่อนมึงเป็นคนฆ่าทีหลังมึงเป็นคนจับมือมัดกูเป็นคนตีของมัน โอ้ต้องเก่งก็มังคุยกันได้พอได้จดตำรวจพวกคนได้ยินโอ้ไอเจ้านี่เองฆ่านางคนนั้นตายจับตายสบานั่นเขาก็ไปคุยเรื่องฆ่าคนเขาก็เก่งพวกคนอันด้านในกระดาษนั้นเพราะั้นพวกเราจึงไ ว, ไว้ๆตรงนี้ไหน่อย ถ้าไม่ใวตรงนี้ก็มันจะพาดไปแต่พื่อตเผอมันหลงก็โล่วยใ้โล่สึกตัวไยวๆอย่าทันให้ไปยินดีอย่าทันให้ไปยินร่าอย่าให้ไปเป็นสุขเป็นทุกข์้ไว้ตรงนี้ก่อนที่มันจะสุขก่อนที่มันจะทุกข์มันต้องหลงตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะเราถอนลากมันไวมันก็อย่าใี้มันเกิด แซมข้าวแซมต้นไม้ของเราถอดมันออกแค่น้อยแต่มันไม่ถอนกับปรามันแะ่น้อตัดไว้ตัดไว้ตัดไว้บางทีรากมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อต้อนไม้เราความโกดอาจจะเป็นปุ๋ยก็ได้เห็นความโกดที่ได้รับผนหัวโรกโอ้ยอ่ามันก็สกสิ่งสกปรกอ่ะ มันก็ดีทําให้เรารักษาวความสะอาดเห็นห้องน้ำห้องส้วงต้องสะอาดวันสุกกรปกอะไรที่วันสะอาดใส่ใจเอออะไรที่วันสกปรกใส่ใจมันจะมีความสะอาดถ้าไปใส่ใจความสะอาดมันก็ไม่ใช่ต้องใส่ใจสิ่ง ที่ทำให้สปกปรกการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันมีการบ้านให้เราทำตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีตาสักหน่อยนะแ้่เราไม่มีตามันก็ไม่เห็นตาในคือความรู้สึตตัวหนะ่ยดูไปดูไป้ไปาไปมามันก็เห็น สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมามันเป็นอกุศลกุศลเราทำเราให้มีงานการทำตรงนี้ว่าเราทำอะไรทำตรงไหนทำจุดที่มันควรทำไหม จุดที่ควรจุดที่ไม่ควรสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรเป็นการต้องอาวัตมันกันนะสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรเช่นความหลงถือว่าไม่ควรก็ควรหลงสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรสิ่งที่ความรู้สึบตัว เรื่ของที่ควรก็สําคัญว่าไม่ควรทำํำมันก็เลยตรงกันข้ามอาจจะนั่งอยู่สร้างจังว่าอยู่สุขโตอาจจะเดินจงกรมอยู่สุขโตแต่ถ้าไม่จัดเกณฑ์ตรงนี้สําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรสําคัญว่าไม่ควรในของที่ควรตรงนี้มันก็ไม่ถูกต้องอาจจะของที่ไม่ควรก็อาจจะเจิน ของที่ควรก็จะเสื่อมแล้วก็เขาทำให้เห็นอยู่เป็นความหลงหลงเทใดก็มาได้ตลอดเวลาทุกเทใดก็มาได้ห่วงเวลาไหนก็มาได้ตลอดเวลาเ้าก็จเจริญเตความหลงความห่วงความมก ม, มุ่คนคณคิดนะสมควรว่าไม่ควร สำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเราจึงทำให้มันถูกต้องการใช้ชีวิตการปฏิบัติให้มันคงเส้นคงวาตรงตรงตรงกับความรูร้สึกตัวอะไรที่ผ่านมาเห็นหมด ตามรอยความรู้สึกตัวมันเราตามรอยวัวรอยผวยที่มันหายติดตาเราตรงนี้มันลบกดดักหน้าไปเรื่อยๆไปก็นั่งอยู่มันง่วงมันลบไปแล้วก ด, ดักหน้านโน้นไปเปลี่ยนอันใหม่เืินขึ้นลุกเดินจงกรมจับมือไม่ได้แล้วยกมือไม่ได้แล้วลุกไปใช้ก้าวขาเดินไปดักเอาตรงนั้นตรงนี้ทิ้งไว้ ไปจับตัวอ่านเก่าเห็นรอยเปี้ยวไปเลยเดินอยู่มันจะง่วงอีกเอาไปจับอันใหม่อีกจับตาดปวดถนนหนทางไป <c oughs> จับนอนเลยถ้ามันหลงเราก็ปล่อยให้มันหลงอยู่มันก็ไม่ทันมันก็ตามไม่ได้เสตีต้องดักดักมันดักหน้ามันคำนวณดู ไม่ได้ด้วยวิทีหนึ่งก็เอาวิทีหนึ่งจากนี้นะการปฏิบัติธรรมการสร้างสตนะิสิ่งที่ทำให้หลงโอ้ยเยอะแยะนะออกจากความรู้สึกตัวอันเดียวแต่ความหลงมันเยอะแยะผมหลงผมหลงกละเอียดไปเรื่อยๆนะเป็นวิปัสโนว่างเป็นกินตยานว่าง เป็นสุขว่าละสุขจะได้ในสติในสัมสมาชัญญะบาทงทีไปมีเมตตาอุเบกขาละอุเบกขาไปมีสติไปโนร์อ๋เริ่มต้นก็สติท่ามกลางก็สติที่สุดก็สติมันสติคนละระดับสติอยู่ในฌานกับสติ ธรรมชัญญามันแม่พ่อเลี้ยงลูกลูกมันโตมันก็ทำหน้าที่ความเป็นลูกที่เล้ยพ่อแม่เลี้ยงต่อไปมันจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ฮะมันจะดูแลพ่อแม่อย่างดีที่สุดเท่า อ, อาจจะดีกว่าพ่อแม่เลี้ยงด้วยซ้ำไปแต่ว่าอภิชาติตบุตร เป็นบุตรที่ดีกว่าพ่อกูแ่แฝดถ้าพัฒนาทาไมพัฒนาก็ <c oughs> ินชาติตะบรเป็นบุตรที่เร <c oughs> ็วสามอะไรนะไม่ว่าสติสมรชัญญามันไม่แค่นี้นะแค่นี้หรือหลวงพ่อแค่ยกมือสร้างแต่ว่าแค่ลูกแค่นี้หรือไม่ใช่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีสติไหมสติมันทำย่างไรอ๋อสติมาไวขวาอันเดือนมาไวไหมสติเวลามันหลงสติมาไวไหมอะไรที่มันมาก่อนเวลามันหลงความรักมาก่อนความค้างมาก่อนความโกรธความรู้ความหลงมาก่อนต้องมีสติมาก่อนไวพอมันหลงปับ๊บสติมาไว ไม่ใช่ความยิดียินไายไม่ใช่อุปทานไม่ใช่ความยึดมัน่นถือมัน่นสมมติบัญญัติชอบไม่ชอบสติวาก่อนตัดตัดตัดอันเดิมเลยมันน้ำกับไปต้องดับก่อน <c oughs> ดับก่อนเราฝึกเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็มีอเนสงฆ์บ้าง การสร้างความรู้จึกตัวนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอันใดสองไม่มีผลอะไรมันมีอยู่แม้แต่ผลน้อยๆมันช่วยเราอยู่เรายังไม่เห็นเรามันใจร้อน เ, นเวลานี้ตดนไหวรอบตัวเรามันช่วยเราอยู่ฮะ แต่น่อยก็ต้องก็ต้องมีในสงฆ์บ้างเข่นสุกโตเนี่ยเมีอเนสงฆ์หลวงพ่อไปนั่งเทศอยู่วัดโป่หน่อยเดียวบางวันโยงกิไม่รู้ว่าทั้งไลยยง่โยงทั้งพูดนะบางวันนะโยงเยอะเรานั่งอยู่นี่หลวงพ่อนั่งเทศอยู่นี่ไม่ได้ไล่ยุงสักตัวเลยนั่นก็มอนสงฆ์บรรยากาศต้นไม้หลังเขา ล้วพวกเราด้วยเป็นเพื่อนกันต้องมีอเนตสงเป็นผลเกิดขึ้นให้เราได้พึ่งอาศัยช่วยเราสิ่งแวดล้อมมาช่วยเราเราเรามาอยู่กับใกล้กับเสียงแวดล้อมที่ดีการที่มาเจริญสติเราไม่ให้เรามาให้ข้อมูลชีวิตเราในทางที่ดี มันก็เป็นสิ่งไว้ล่อมที่ดีเราให้ข้อมูลตัวเราให้ความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวมันก็รับเอาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เป็นธรรมความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นหลายๆอย่างของฟองกันไปขณะที่สร้างความรู้สึกตัวนะั้น หาตาก็งามพิรรมก็งามสงบสันตยมั่ารักไม่กับอุดกับเปียดใกลฝนพันพันแล่นในความรู้จักตัวอยู่กับใครดูก็ออกอเหมือนพร ะ, ะอัศขิสาริบุตรเห็นอัศขิเดินมิถบาทสาริบุตร ดูลูกออกโอ้สัปนะลูกนี้นี่สติดีมากหน้าเขาลบท่านฝึกตัวยังไงใครเป็นผู้สอนท่าน อ, อยากลูกนันนะเราต้องมาสร้างมาทำเราให้มันทันทันเหตุ มนเหตุก็เหตุไปใส่เหตุบรรลัยเหตุมันดีไปใส่เรียกว่าทำถตมันไม่ทำตรงนี้มันก็เสียเวลาถ้าเราทำตรงนี้มันก็ได้เวลาเราสร้างความรู้เราสร้างความรู้ความความรู้มันมีมากความรู้มันมีมากความรู้ก็พัฒนา เห็นแจ้งในสิ่งที่มืดมืดเห็นแจ้งในสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่เห็นแล้วก็เห็นแจ้งเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นแจ้งก็ไม่สงสัยจิตก็ฟองใสความเห็นก็ถูกต้องพัฒนาไปเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆในกายในใจเรื่องของกายก็เห็นเป็นรูป ส่งของใจก็เห็นเป็นนามเข้ไปหน่อยเห็นวัตถุเป็นอาการเห็นตะละมตณเป็นกุศลต่อกุศลเป็นบุญอย่างไรเป็นบาปอย่างไรเห็นมาเห็นผลไปหน่อยแลก็คลได้ทาง เยียบเส้นทางได้ทางเปรี่ยวทางโล่งทางด่วนนันทางอะไรล่ะคนประสานที่คนประสานพาหลวงพ่อมาจากสยองทางอะไรทางว่าทางอะไร่ะมอเตอร์วมอเตอร์วีเ อ, อ้ยไม่มีไดยไป เขียวไฟแดงไม่มีเลยมอเตอร์วีเว่งไม่ตลอดเลยมันได้ทานชีวิตเรามันก็ควรที่จะได้ทานแต่ขบขักเกินไปไปุดกับความโลภความโกรธความหลงความลักความชังไฟแดงไฟเขียวจรถจักรติดขัดจักรยารของชีวิตติดขัด ไปติดกับอะไรล่ะไปติดกับความลักไปติดกับความชังไปติดกับความสุขไปติดกับความทุกข์ไปติดกับความโลคความโกรธความหลงไปติดกับความง่วหเหงาหอนอนไปติดกับความลังเลสงสัยไปติดกับความโ่งสางหรือว่าจราจรชีวิตติดขัดไม่เป็นมอเตอร์เวย์โล่งเวลาวิ่งเอาวิ่งเอา ประสานพอวิ่งมาจากประยองแป๊บเดียวทั้งกรุงเทพให้น้ำ่อมกับมาขึ้นทางดวนดิเลือได้ใช่ไหมลองเราติดอยู่ไหนไปแล้วอะทำาไรแก้วติดที่ไหนอะไกไก่เปไ ป, ไปอเป็นพวกไกลจากกิเล พิเลตไก่เราเราไกลจากข้าศึกนนท์ข้าศึกเขาอยู่ <c oughs> อหลักนนทนอยู่อัปการา น, นิฐานนนท์เขาลบกันอยู่โ น, น้นแต่เรานอ่อยู่สุขโตสบาย <c oughs> ลูกปืนใหญ่เขาไามาถึงเร า, <c oughs> ากับไก่กับข้าศึกข้าศึก คือกิเลสจะทำไ ล, ลจากความหลงไลจากความโกรธไลจากความทุกข์เฮ้ยถืออยู่คนละโลกก็ได้เลยเนาะความโลกความโกรธความหลงอยู่คนละโลกกัแ น, น, นแล้วเอานั้นานะเอาพัฒนากันนันเลมิตรภาพสันติภาพแล้วทุกวันเลยแต่มัวเมย์ัย่ทำไม ชีวิตที่ไม่มีภัยไม่ใช่เรื่องน้อยนะเป็นอริยะอลิยะคือไม่มีภัยไม่มีขั้นศึกพระศีอลิยเมตรแล้วก็ปราถนากันกอให้ถึงพระศาสนาพระศีอลิยเมตรัยโอ้พระศีศริเม่ใัยจะมาตัดชะลูกจะมาเกิดต่อจากพระปุรเจา กุกุสันโธโคนากมวโนกัสโปโคตโมโคตโมยศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าอริยเมตโยต่อไปอีกเหลืออีกพระองค์เดียวจบเลยศาสดา่ทันไหมทันพระีอริยเมตใยไหมก็คือคุณธรรม ที่เกิดจากคำสอนของพระศาสดาพระสัมนโคดมนี้ค น, จนเจริญคนนำไปปฏิบัติธรรมของสัมนะโคดมสลนคนไปปฏิบัติก็เกิดสีอะเรียกเมตไตรก็คือคุณธรรมที่มันเกิดขึ้นในโลกเพราะเราประพฤติทำกันเราปฏิบัติทำกันมีสติสัมปชัญญะ ไม่มีอิจฉาภาวบาดในเด็กความเมตตากรุณาเพือพ่อเพื่อเพื่อแพร่อย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่อันนี้สองสิบเอ็ดประการตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไปไหนมาไหนก็เป็นสุขะจะมีอันนี้สองล้ายประการอานปฏิบัติทำไหม คุ้มค่าครับวพ่อว่าถ้าไม่ทำจุดนี่เรอโอยบกพรองมันเป็นไปเป็นกา น, นมันเป็นการไปจากค่าสึกเองๆหลวงรู้สึกตัวเนี่ยไวใเล็กน้อยนี่แหละศาสนาพระศีอะเรียมเมตตยต่อจากพระสมณะโคดมคำสอนของสมณะโคดมทั้งหมด เป็นกุศลละได้มีเป็นอกุศลละได้สร้างกุศลได้เนีเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคผลนิพพานก้าวไปจากความรู้สึกตัวเป็นก้าวแรกความรู้สึกตัวมันก็ไปจากความหลงความหลงเป็นภัยเรียกว่าศัตรูอาลิ ครู้สึกตัวเป็นอะอะลิยะเป็นยะคือไปจากอาลิไปจากขัก้นึกนี่เราก็ทําด้วยควาของเราเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนมันปาฏิหาให้สําเร็จต้องทำเอาลงไปจริงๆริงปฏิบัติลงไปจริงๆริู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ต, วตัวใครตัวมันตางคนต่างเดินไปด้วยกัน เดินด้วยกันไปถึงที่เดียวกันเพื่ปฏิวัติธรรมเราก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเพื่อนเดินทางเพื่อนเดินทางด้วยกันเป็นพิจุสมเน็จบุญสกวาสิกาเรียว่าบริษัททั้งสี่ของพวกเราศาสนา จ, จะเจริญจะเสื่อมพอพวกเรานี่แหละมาช่วยกัน พวกเราก็มีไม่มากนะแต่ไม่มากนี่แหละมีคนมีค่าไม่ต้องมากหรอกศาสลาของพระารรมสัพเพเจ้าตั้งต้นปัจเจ ก, ก, กับบุคคลหนึ่งเอกะคือหนึ่งก่อนนับหนึ่งทุกคนนับหนึ่งจากตัวเราของพ่อก็พยายามนับหนึ่งจากตัวเราพวกเราก็นับหนึ่งด้วยกันอ๋อเหมือนจะมีสอง มันยังจะมีมากขึ้นไปนะนะวันนี้ก็สมมาภาฝนพวกเราก็กับพระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทธะพระโาสุตทางพระควนจังอภิวาเท ตัวกัตตุหะโขวะตัมโมทามังนมะโตตุพติปนุภะโตสาวาังโถตั้งม